สวัสดีครับเรื่องเล่าสยองขวัญขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องตำนานผียายจันเรื่องเล่าสุดน่ากลัวของหมู่บ้านยวนโพสโดยสมาชิกพันทิพย์ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังถึงตำนานในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งคนเก่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่าต่อ ๆ, ๆกันมาณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ได้พัฒนาไปตามยุคสมัยแสงไฟสว่างจ้ามีถนนกว้างขวางมีรถวิ่งเข้าออกทั้งวันแต่สมัยก่อนนั้นหมู่บ้านแห่งนี้ทุร ก, กันดานไม่มีไฟฟ้าถนนแคบแคบผู้คนมีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนส่วนมากก็ทำอาชีพขายปลาขายไก่ มีบ้านหลังหนึ่งใหญ่โตพื้นที่กว้างขวางตอนนั้นตั้งเด่นสงงาอยู่ต้นซอยมีผลไม้ปลูกไว้เต็มบ้านเจ้าของนั้นเป็นแค่ยายแก่แกชื่อยายจันแกอยู่คนเดียวไม่มีลูกหลานดูแลทุกๆวันยายจันจะตื่นแต่เช้ามารดน้ำต้นไม้และสำรวจข้าวของและผลไม้ วาหายไปมากแค่ไหนสิ่งที่ยายชอบทำคือนั่งอยู่บนบ้านมองลงมาที่สวนผลไม้ใครผ่านไปผ่านมาต้องเห็นแก่นั่งแบบนั้นจนพลบค่าจึงเข้านอนช่วงเวลาที่แกเข้านอนนั้นจะมีคนปีนกำแพงขโมยผลไม้ทุกวันยายรู้ดีว่าพวกนั้นมาขโมยผลไม้ แต่แกก็ปล่อยให้พวกนั้นขโมยไปจนวันที่ยายจันตายก็ไม่มีลูกหลานมาทำงานศพคนที่เข้าไปเก็บศพเล่าว่าแกนอนบนกองเลือดข้างๆศพมีข้อความว่าสมบัติของกูห้ามใครแตะต้องลูกหลานห้ามมองมือไม้ห้ามจับแม้ตอนกูตาย เป็นผีอีเท่ากูจะคอยเฝ้าสมบัติของกูไอ้เอีตนใดเข้ามายุ่มย่ามกูจะตามฆ่าหลอกหลอนท้งโคตตอนมีชีวิตอยู่ยายจันอยู่อย่างโดดเดี่ยวลูกหลานหายหมดจะกลับมาเยี่ยมเมื่อได้ข่าวว่าแกไม่สบายใกล้ตายเท่านั้นสมบัติของยายจัน ไม่ได้ถูกยกให้ใครมีพินัยกรรมหรือกระดาษเก่าๆข้อความว่ากูยายจันเจ้าของทุกอย่างในที่ดินนี้มีลูกหลานเป็นสิบกว่าคนแต่ไม่สามารถพึ่งใครได้ตอนมีชีวิตอยู่ไม่เคยเข้ามาเยี่ยมเยียนเมื่อใดที่กูตายอย่าเหยียบข้อบ้านกูสมบัติกูจะไม่มีให้ใครได้ทั้งนั้นกูจะอยู่ดูแลเอง บ้านถูกปิดตายล็อกกุญแจแน่นหนาการตายของยายจันสร้างความน่ากลัวแก่คนในหมู่บ้านทุกคนในหมู่บ้านต้องเดินผ่านบ้านแกเวนกรรมตกอยู่กับพวกทำงานนอกบ้านแล้วต้องกลับบ้านดึกๆึเวลากลับบ้านวิ่งหน้าตาตั้งกันทุกคนบางคนอยากลองดีเดินช้ า, ชา มองเข้าไปในบ้านเห็นยายจัน์นั่งอยู่บนต้นมะม่วงชี้หน้าด่าตวาดมาขโมยของกูใช่ไหมไปไกลๆบ้านกูเลยนะจนไม่มีใครกล้ากลับบ้านคำๆผ่านมาสักระยะเริ่มมีรถรับจ้างเป็นซาเล็งเก่าๆ 4-5 ่หคนมาจอดรถเรียงแถวคอยรับส่งคนในหมู่บ้าน และคนนอกหมู่บ้านคนรับจ้างทุกคนเป็นคนนอกหมู่บ้านจึงไม่รู้เรื่องผียายจันแต่คนในหมู่บ้านเวลากลับบ้านดึกๆ ก, ก็จะจ้างรถซาเล้งเข้าไปส่งถึงหน้าบ้านคนขับซาเลง้งสังเกตว่าบ้านยายจันไม่มีคนอยู่แต่บ้านกลับไม่สุดโสมแถมยังมีผลไม้เต็มไปหมดถึงวางแผนขโมยผลไม้ พอส่งลูกค้าในหมู่บ้านเสร็จเลยแวะขโมยผลไม้ขณะที่กำลังปีนกำแพงจะถึงยอดต้นมะม่วงเห็นยายจันทร์นั่งยองๆบนต้นไม้ดวงตาสีขาวโพลนอ้าปากกว้างส่งเสียงกรีดร้องคนขับซาเลงตกใจพลัดตกกำแพงวิ่งลืมรถเสียงยายจันทร์ ดังกล้องอยู่ในหูทำให้หูบอดไม่สามารถได้ยินเสียงภายนอกแต่กลับได้ยินเสียงยายจันตลอดเวลาที่น่าแปลกใจคือรถซาเลง้งที่คนขับลืมไว้เข้าไปอยู่ในบ้านยายจันทั้งทั้งที่บ้านถูกปิดตายไม่มีใครเข้าไปได้แต่รถกลับเข้าไปจอดอยู่ยายจันกลายเป็นปริศนา ที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ผู้ที่ล็อกกุญแจบ้านหิยายจันบอกว่าผมเผากุญแจไปพร้อมกับศพยายจันแล้วครับซาเล้งที่ไม่กลัวยังคงรับจ้างต่อไปวันหนึ่งมีคนขับซาเลง้งอยากไปลองดีที่บ้านผียายจันส่งเสียงดังด่าทออีแก ตายแล้วจะหวงสมบัติไปทำไมหลอกเพื่อนกูจนหูบอดแล้วยังหลอกหลอนคนในหมู่บ้านอีกวันนี้กูมาท้าแน่จริงออกมาสู้กับกูจะตบให้ความเลยกูจะเอาของไปขายให้หมดซาเล้งคนนี้ปีนรั้วบ้านยายจันเก็บมะม่วงควางลงมาบนถนนเต็มไปหมดเก็บไปบนไป ไหนล่ะผีแกออกมาสิโว้ยเมื่อเห็นว่าไม่มีผีจึงหันหลังกำลังจะกระโดดลงจากกำแพงได้ยินเสียงคนรดน้ำต้นไม้ป่าก็ร้องเพลงวัดเอย๋ยวัดโบสถ์มีตานตโนดอยู่เจ็ดต้นเอย๋ยพ่อขุนทองก็ไปปล้นเออป่านชนี ไม่เห็นมาเมียคดข้าวใส่ห่อเอ่ยถอเรือไปตามหาเขาก็เล่าลือมาว่าพ่อขุนทองตายแล้วคนขับซะเลง้งหันกลับไปดูเห็นผียายจันยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงตะเกียรตะกายปีนขึ้นมาหาคนขับซะเลง้งวินาทีนั้น คนขับสะเลงช็อกจนตกลงมาจากกำแพงรีบขี่รถออกไปป่าก็ร้องโวยวายตาเหลือบมองกระจกข้างเห็นผียายจันนั่งอยู่ข้างหลังหน้าตายะเ ย, ะเยะ้ยหัวเราะเสียงแหลมแหลมจะตบกูเหรอจะตบกูก็ตบสิตบกูสิชาวบ้านไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้น จึงร้องเรียนกับผู้ใหญ่บ้านให้หรือบ้านยายจันทิ้งผู้ใหญ่บ้านอยากได้ที่ดินของยายจันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อรู้ที่ชาวบ้านเดือดร้อนจึงเข้าแผนของเขาผู้ใหญ่บ้านจึงวางแผนทุบทิ้งและจะซื้อต่อแต่ไม่เป็นไปตามที่วางแผนอยู่ๆผู้ใหญ่บ้านก็หายตัวไปเฉย ชาวบ้านช่วยกันตามหาและไปดูที่บ้านของยายจันแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้ตามหาอยู่เกือบสามสัปดาห์เจออีกทีเป็นศพถูกแขวนคออยู่หน้ารั้วบ้านยดยจันสภาพศพอืดจนเต็มที่ตาถลนลิ้นจุก ป, ปากแต่ก่อนหน้านี้กลับไม่มีใครเห็นศพ ชาวบ้านเลยไม่ยุ่งกับบ้านยาจรรยจันอีกกลัวว่าจะต้องตายแบบผู้ใหญ่บ้านเหตุ <_ ạo> การณ์นี้ทำให้ผหียายจันโกรธส่งเสียงกรีดร้องทุกค่าคืนเวลาหนึ่งทุ่มทุกบ้านปิดประตูมิดชิดมีคนเล่า ว, ว่ายายจรันรเดินเคาะประตูถามทุกบ้านช่างฟ้องช่างยุปากว่างใช่ไหม ขูจะตัดลิ้นพวกเมืองทิ้งยายจันเริ่มแก้แขนพวกที่เอาเรื่องแกไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านเดิเริ่มจากตัวแกนนำป่าคนนี้ชื่อแดงเป็นญาติห่างๆของผู้ใหญ่บ้านปราแดงได้รับข้อเสนอของผู้ใหญ่บ้านว่าทยุโยงคนในหมู่บ้านให้ลงมติหรือบ้านยายจันทิ้งได้ปราแดงจะได้รับส่วนแบ่งจำนวนมาก จึงทำให้เกิดความโลภเป่าหูให้ชาวบ้านให้เชื่อคําของตนชาวบ้านเชื่ออย่างง่ายดายเพราะใจก็กลัวผียายจัน์อยู่แล้วข่าวการตายของผู้ใหญ่บ้านเป็นที่พูดถึงในช่วงนั้นชาวบ้านคิดไปต่างๆนาน า, นาว่าผู้ใหญ่บ้านตายเพราะยายจันฆ่าประแดงเมื่รู้การตายแบบปริศนาของผู้ใหญ่บ้านเกิดความกลัว จนไม่กล้าออกจากบ้านไม่เจอหน้าผู้คนผีไอจัน์ไปหาป้าแดงเคาะประตูรเรียกอีแดงอีแดงออกมากูจะเอามึงไปอยู่กับไอผู้ใหญ่ออกมาเนื้อตัวป้าแดงเริ่มมีกลิ่นเนา่ามีแผลตามตัวแขนขาบิดเบี้ยวผิดรูปพูดคุยคนเดียวตาเลือกไปมา ในระยะเวลาไม่นานประแดงกลายเป็นคนบ้าพูดถึงแต่ยายจันจนวันหนึ่งประแดงกรีดเสียงดังวิ่งตรงไปที่บ้านของยายจันร้องไหฟ้ฟูมฟายหันหน้าพูดกับยายจันกูขอโทษปล่อยกูไปเถอะอย่าหักแขนหักขากูอีกเลยนะกูจะทำบุญไปให้กูเจ็บไปหมดแล้ว ปะแดงดิ้นทุรนทุรายเอามือเข้าปากแล้วก็ดึงลิ้นตัวเองออกมาปล่อยกู้ไปเถอะปล่อยกู้ยังพูดไม่จบดีแกดึงลิ้นตัวเองจนขาดนอนชักอยู่กับพื้นชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปช่วยจนแกหยุดดิ้นและตายไปเองส่วนคนที่เหลือก็เป็นใบ้ไปเฉย